เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมส่สันติกก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคย ในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้วันนี้อัตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมะของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยทิยมังคโลทะาอาวัตรวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งท่านได้ตอบปัญหาแก่พระนวกะภิกษุที่เข้าไปบวชศึกษาและปฏิบัติธรรมณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟัง เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาสามารถที่จะพิสูจน์เรื่องกฎแห่งกรรมได้หรือไม่จึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยในวันนี้โดยพร้อมกันณบัดนี้ ชัดจะได้รู้เนี่ยผ่านกันไปผ่านกันมาไม่ได้เรื่อง อ, ะอ่ะที่แรกไม่ทราบก็เป็นผมถามอจะได้ตอบให้รู้ให้หมดจะได้พระเนี่ยจะได้ฟังด้วยคือกับผมอยากจะถามเลียนถามหลวงป่าว่าในเรื่องที่กล่าวว่านรกสวรรค์มีจริงหรือปล่าหรือไมน่นะครับคือตามที่กระผมเรียนมาเนี่ยคือเป็นทางโลกนะครับ บางตำราหรือว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยกล่กาวว่าการที่เอ่ยเรื่องนโลกสวรรค์เนี่ยเป็นเพื่อเหมือนกับครูบาอาจารย์เนี่ยยกขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายในการสอนให้แ ย, ยบคายให้คนเนี่ยกลัวในการที่จะไม่ทําความชั่ว <c oughs> ถามว่านรกสวรรค์เนี่ยถ้ามีจริงคือกับผมเนีตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยระยะหลังเนี่ยจะเป็นว่าสอนว่าเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเฉยๆทีนี้ผมก็ ก็ผมก็เข้ามาเพื่อจะพิสูจน์ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้อยากจะเชื่อว่าอยากจะคือถ้าเกิดการที่ผมจะเชื่อเลยเนี่ยผมว่าก็ไม่ตรงกัมหลักของพระเจ้าที่เคยตัดไว้เกี่ยวกับเรื่องการมาสูตรการขานนิยฐานสิบก็อยากจะถามว่ามีส Jamie, <S <S Jim, ing, ิ <S <S ่งเหล่านี้มีจร so oh ิงหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าก็ผมไม่เชื่อตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าแล้วก็บุญบาปล่ะบุญบาปถามถามหรือเปล่าได้ถามเรื่องบุญบาปหป่า คือผมถามหลายเรื่องเขาก็ไปเรื่อยๆแไม่ทราบว่าถามเอาละเอามาตรงนี้มานั่งตรนี้นั่งตนี้ยกยกนไปด้วยยกมันี้ไปด้วยเอายกไปด้วยาไมยกไปอยู่ตรงนู้อยู่ตรงนู้เอานั่งตรงนู้เอานะทีนี้จะขอสรุปคาถามของเธอสรุปคาถามของเธอนะฟังให้ดีเธออยากจะทราบ ก่อนที่จะปรงใจเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักกาลามาสูตรไว้ไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อตำราไม่เชื่อตามใครทั้งนั้นและก็สงสัยว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่ เคยสงสัยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เคยบอกว่าไม่เห็นบุญอยู่ตรงไหนเลยจริงหรือเปล่านั้นยังไม่ได้พูดครับยังไม่ได้พูดอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงบอดถึงบอถึงต้องเอาตัวจริงมาถามอ่าเพราะฉะนั้นว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่และทำยังไงถึงจะรู้จริงใช่ไหมหรือเปล่าด้วยครับเออเอาละ เอาตรงทำยังไงจะรู้จริงซะก่อนท่านเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับดีมากท่านเชื่อไหมว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมีเชื้อโรคเชื่อครับทำไมท่านถึงเชื่อ <c oughs> เพราะว่าพิสูจน์ได้ครับเอาอะไรพิสูจน์ อเอาอะไรพิสูจน์จึงจะเห็นเชื้อโรคเช่นเพาะเชื้อหรือว่าเอาตัวเชื้อมาดูครับเชื้อแล้วเห็นด้วยตาเปล่าหรือใช้อะไรใช้กล้องครับใช้กล้องเมื่อเห็นแล้วจึงเชื่อใช่ไหมครับในพระพุทธศาสนาก็เช่นกันพระพุทธเจ้า ท่านก่อนที่จะตรัสรู้พระธรรมวิเศษคืออริยสัตว์ทั้งสี่ว่าทุกความทุกของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้มากมายทั้งที่บุคคลเห็นได้โดยง่ายและเห็นได้โดยยากเช่นทุกจากผลของกรรม ทุกข้ามพพข้ามชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นต้นแล้วก็เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความสุขมีอย่างไรอย่างแท้จริงและสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างไร จนกระทั่งรู้แจ้งหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกอันถาวรเพื่อความเป็นบรมสุขเมื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้แล้วก็มาสั่งสอนเรานั้นท่านได้ปฏิบัติตนอย่างนี้หนึ่งรักษาศีลอย่างบริสุทธ เพื่อให้กายให้วาจาสงบสองในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อประมาณสองพันแปดร้อยสิบประมาณสองพันแปดร้อยปีที่ล่วงมาเนี่ยเอาสองพันห้าร้อยแปดสิบปีขอขออภยัยล่วงมาแล้วนั้นท่านเมื่อประทับนั่ง อยู่ที่โคนไม้สีมหาภูท่านได้เจริญฌานสมาบัติมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถะฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรอนออกจากใจจนจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ที่สุดจึงมีธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้น คือทิฏฐจักขุทิประโสตสามารถที่จะเห็นรู้สัมผัสธรรมชาติที่ละเอียดเกินกว่าประสาท ต, ตาหูจมูกลิ้นกายของมนุษย์จะพึงสัมผัสรู้ได้ด้วยเครื่องมือนั้นแหละ มีทิพย์พูรทิพจักขุเป็นต้นภาษาพระเรียกว่าอภิญญาเป็นความสามารถพิเศษท่านสามารถที่พระองค์สามารถที่จะน้อมไปเพื่ออตีตังสยานคือยานอย่างรู้อดีตและได้รู้เห็น อัตภาพคือชีวิตของพระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรอย่างกว้างขวางอย่างละเอียดละออและมากมายจนนับกับนับกันไม่ถวนนั้นรวมเรียกว่าวิชาวอสระอิชอชางสองตัวแล้วสระอาความสามารถพิเศษ นั้นรวมเบ็ดเสร็จชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติยานคือยานระลึกชาติได้อย่างมีระบบไม่ใช่เป็นโดยบังเอิญอย่างคนที่มีโดยบังเอิญมีได้เป็นได้แต่ของพระองค์นั้นมีโดยจงใจจะดูจะรู้จะเห็นก็ได้รู้ได้เห็นตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เห็นแล้วทรงเกิดความสลด พรไทยวาโอ่ที่ผ่านมาเนี่ยและสัตว์โลกทั้งหลา ย, ยต้องเวียนว่ายตายเกิดไปทุกบ้างไปสุขบ้างเอ๊แล้วไอ้ที่ไปข้างหน้านี่มันจะเป็นยังไงนี่เห็นอดีตแล้วทั้งหมดนั้นอยู่ในยามต้นแห่งราตรีคือประมาณไม่เกินสี่ทุ่ม ครั้นถึงยามกลางแห่งราตรีประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์เจริญฌานสมบัติอีกครั้งหนึ่งจนจิตทองใสาจากกิเลสนิบอนเพราะในขณะพิจารณาอยู่นั้นจิตฟุ้งซ่านเล็กน้อยชำระจิตให้ละเอียดประนีตอีกครั้งหนึ่ง แล้วน้อมไปสู่อนากตังสยานยานรู้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้เห็นว่าสัตว์ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้กรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างต่างได้รับความสุขความทุกข์ในชาตินี้และเป็นชนกกรรมให้ไปเกิด ในที่สุขหรือที่เจริญอย่างเช่นมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพพระบุเทพธิดาและไปเกิดเป็นพรหมรูปกระพรมหรืออารู ป, ประพรมต่อไปตามลำดับเสบยสุขอยู่ด้วยผลบุญนั้ น, น, นก็มีที่ คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นบาปอา k ุ s ลก็ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันนภพหรือในชาตินี้และยังเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกติภูมิเช่นภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดีระฉานมากต่อมากนี่พระองค์ทรงน้อมเข้าสู่ วิชาที่สองเรียกว่าจุตูปาติยานค่อนคืนแล้วก็ทรงพิจารณาหาเหตุในเหตุไปถึง ต, ต้นต้นเหตุว่าอะไรเป็นต้นต้นเหตุแท้แท้ที่ให้เกิดทุกข์ในยามปลายแห่งราตรีหลังสองยามหลังสองทุม่มตีสองไปแล้วเข้าฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้จิต ท่องใสจากกิเลสนิวร์แล้วจึงน้อมไปเพื่ออาสวัคยายานโดยการพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผนัสผัสเวทนาตันหาอุปาทานแล้วเกิดพบเกิดชาติชารามรณะทุกอันนี้จะพูดภาษาพระ เพราะว่าถ้าอธิบายยืดยาวแต่ว่าเอาแค่ว่าพิจารณาเห็นเหตุในเหตุว่าความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุแห่งทุกตามที่เป็นจริงไม่รู้สภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับตามที่เป็นจริง ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกตามที่เป็นจริงไม่รู้อดีตอย่างที่พระองค์รู้ไม่รู้อนาคตอย่างที่พระองค์รู้ไม่รู้เงื่อนต้นคือเหตุไม่รู้เงื่อนปลายคือผลที่แท้จริงที่ทำให้สัตว์เกิดความสุขหรือความทุกข์และลงท้ายไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรเป็นต้นเหล่านี้ รวมเรียกว่าอาวิชชาไออวิชชานี่แหละมันทำให้สัตว์โลกคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดแล้วก็ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันมาจากไหนเพราะเหตุนี้คืออวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ที่ทรงแจ้ง ด้วยวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สามวิชาที่หนึ่งระลึกชาติได้รู้อดีตรู้เหตุเบื้องต้นชื่อว่าจุตูปาตยานวิชาที่สองขออภัยชื่อว่าปุเพนิวาสารุสติยานวิชาที่สองรู้เหตุและผลรู้อนาคต ว่าสัตยำกรรมอย่างนี้จะได้รับผลอย่างไรต่อไปในอนาคตเป็นวิชาที่สองแจ้งวิชาที่สามก็คือรู้เหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์จึงรู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและรู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อนถาวรประกอบพร้อมด้วยวิธีทรรมอาสวะและอนุสัยกิเลส ที่ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเฉตปรปหานได้บรรลุพระอริยสัจสีอย่างแจ่มแจ้งคือรู้จริงอย่างแจ่มแจ้งในตอนใกล้รุ่งอรุณของคืนวันเพนเดือนวิสาขะเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยแปดสิบปีกว่าๆมานี้เองนั่นแหละ เรียกว่าตรัสรู้แล้วก็ยังตรัสรู้แจ้งโลกรู้แจ้งหมดเหมือนกับเอามักขามป้อมมาวางอยู่บนมือแล้วก็มองดูฉะนั้นที่นี้ก็แปลว่าทรงรู้เห็นนรกสวรรค์ไปถึงนิพพานเจมแจ้งรู้เหตุที่ไปนรกรู้เหตุที่ไปสวรรค์รู้เหตุปัจจัยที่จะไปนิพพาน ไม่จะเหตุปัจจัยรู้หนทางหนทางไปนิพพานแต่รู้เหตุปัจจัยและหนทางไปนรกเหตุปัจจัยและหนทางไปสวรรค์ที่รู้นั้นให้สังเกตดูว่าหนึ่งท่านรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทางกายและวาจาซึ่งมีผลให้ใจสงบไปถึงใจเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ฌานนั่นได้เจริญฌานสมบัติทั้งแปดมีรูปฌานสี่รูปฌานสี่เป็นต้นแต่ในคืนวันเพนเดือนวิสาขะทรงใช้แต่เพียงรูปฌานสี่เพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้ออกไปจากใจหมดสิน้นแล้วเมื่อใจบริสุทธิ์จึงเกิดอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิพะจักขุทิพโสต เสมือนอย่างเธอตรวจดูเชื้อโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ฉะนั้นแล้วก็ศึกษาพิจารณาเหตุผลด้วยความสามารถพิเศษที่เรียกว่าวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สามคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปาฏิยานจนถึงอาสวัคยาญาณเป็นที่สามและที่สุด ถึงรู้วิธีทำรรอาสวะคือเหตุต้นเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุที่เกิดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเป็นสมุเฉทพหานก็แปลสรุปความว่าพระพุทธองค์ทรงทราบอย่างนั้นก็เพราะได้ทรงกระทาเครื่องมือพิเศษขึ้นเครื่องมือพิเศษนั้นอุปมาดังทางโลกก็คือ กล้องจุลทศน์เป็นต้นแต่เครื่องมือพิเศษของพระพุทธเจ้านั้นละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนับประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเธออยากจะรู้ว่านารกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเธอต้องทำตามนั้นและบัดนี้พวกเรากำลังฝึกอบรมเพื่อทำตามนั้นได้ผลบ้างตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ แต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็รู้เส้นทางผลทางว่าเมื่อทำไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเห็นลู่ทางไปตลอดเหมือนกับเรารู้ลู่ทางไปเชียงใหม่เห็นถนนแล้วกำลังเดินไปให้มันถึงเท่านั้นเองฉันใดฉันนั้นคือถนนนี้คือศีล ส, สมาธิปัญญา และถ้าได้ทําให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งคือถึงขนาดเจริญฌานสมาบัติได้ปัญญาอันยิ่งก็จะเกิดไปจนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละอุปมาฉันใดฉะนั้นทีนี้สรุปว่าเธอจะทําอย่างไรถึงเธอจะรู้เธอต้องสละวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด จากใจจากใจนะกายมันจะอยู่ยังไงก็ช่างเธอจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอะไรก็แล้วแต่จากใจใจต้องเป็นอิสระทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงให้ได้ถึงปฐมฌานทุติยฌานไม่ต้องถึงจะตุแล้วเอาแค่ทุติยะแล้วหลวงปาจะชี้แนะวิธี ให้เธอได้รู้เห็นนรกเองและสวรรค์เองด้วยเอาแค่ทําดวงให้ใสแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติให้ได้ถึงธรรมกายแล้วนั่นแหละเธอได้รู้เห็นแน่นอนทั้งนรกสวรรค์และถึงนิพพานด้วยถ้าว่ายังไม่ได้มันก็เหมือนตาสีตาสาจะอยู่ตามท้องนาถามว่าท่านเชื่อไหมพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเชื้อโรคมีมันจึงเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านเหล่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังไม่นับว่าผิดหรือถูกแต่ผู้ที่คิดถูกคือปฏิบัติตามหลักการามาสูตรไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่อหลวงป้าพูดไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อใครทั้งนั้นแต่ท่านรู้ไ้ยให้ทำอะไรให้ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะรู้เห็นเอง เข้าใจนะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ได้อาจจะเวลาเร็วหรือเวลาช้าอยู่ที่ใจเธอหยุดได้หรือไม่แค่ไหนถ้าใจหยุดได้เห็นดวงใสสว่างจะพัฒนาถึงธรรมกายได้ไม่ยากถึงธรรมกายแล้วเรื่องนรกสวรรค์ไม่ต้องพูดเห็นชัดเจนแน่นอนและจะจิตละเอียดหนักก็เห็นถึงนิพพานเองแน่นอนเหมือนกันเข้าใจนะแต่นี้หายข้่องใจ ในในหลักทฤษฎีแล้วจะบอกเลยว่า น, นี่แหละที่หลวงป๋าพูดว่าพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่สังคมศาสตร์เนเข้าใจนะไม่ใช่โซเชียลไซน์แต่เป็นเน a l s ร i ไซน์เป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเป็นพ c i e n c e ด้วยใช่ไหมแต่ต้องศึกษาอบรมปฏิบัตพิพิสูจน์ ให้รู้เองเห็นเองด้วยเครื่องมือของตัวเองที่จะต้องพัฒนาขึ้นเหมือนกับว่าบุคคลจะต้องมีทุนที่จะซื้อกล้องไมโครสโคปหรือเทเลสโคปชั้นใดชั้นนั้นต้องทําทุนให้ได้นะทําได้แล้วเอาดีแหละที่ถามเอานะงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแคนี้ก่อนแล้วก็เราจะพูดเรื่องงานต่อไปวันหลังจะตอบเรื่องธรรมะอีกอีกต่อไป น, นี่คุณโยมคงเข้าใจนะและให้รู้นะบาปบุญคุณโทษมีจริงมีจริงคิดให้จำไว้นะใจกระดิกโกรธทีหนึ่งนั่นแปลว่าจิตของท่านต่าลงไปถึงนรกทีหนึ่งจิตหลงทีหนึ่งจิตใจของท่านต่าเป็นสัตว์นิราันานทีหนึ่งจิตตัณหาราคาทีหนึ่งจิตใจเป็นเปรตหรือสัตว์นรกทีหนึ่งให้จำไว้ลงอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมาที่นี่แล้วให้จำไว้ให้แม่นมันให้จำไว้ให้แม่นมันว่าชีวิตทางโลกไม่มีอะไรดีเลยมันดีชั่วคราวสนุกชั่วคราวทุกมากเหลือเกินแล้วทุกที่เกิดแต่ผลของกรรมและเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจาัจนี้นับประมาณไม่ได้เหมือนก้อนศิลาที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นให้จำไว้มันดิ่งลงไปเรื่อยไอ้โง่หัวขึ้นมาอย่าหวังยาก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 ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ววิธีเรื่องการพิสูจน์นรกสวรรค์ น, นั้นหลวงพ่อก็ได้แสดงอิงหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้ดีแล้วให้สาธุชนได้รับฟังกันเพราะพระนวกะภิกษุได้ถามปัญหาเรื่องนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้อธิบายขยายความให้ พระภิกษุทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งญาติโยมสาธุชนผู้เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันอันนี้สาธุชนผู้ฟังรายการธรรมะสุสันติก็คงจะได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมหรือธรรมะบรรยายในเรื่องนี้ก่อนจากกันในวันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็ขอจะยกเอาพระพุทธภาษิต ที่มาในพระสุตรกัณฑปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่26ข้อที่332ความว่าธัมโมสุกินโนสุขมาวะหาติแปลความเป็นภาษาไทยว่าธรรมที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะ ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมย่อมจะได้รับความกลุ้มครองจากพระธรรมนั้นรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากโรัขาพาด ท, ทั้งปวงมีอายุมั่นฝันยืน